ธรรมบทแปลเรื่องที่194เรื่องมหาอามาตถผู้วินิจฉัยข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบมหาอมาชผู้วินิจฉัยตรัสพระธรรมเทศนานิว่านะเตนะโหติธรร ม, มโภเป็นต้นตอน ผัวภิกษุเห็นมหาอา ม, มาตย์รับสินบนความพิสดารว่าวันหนึ่งพัวภิกษุเที่ยวบินธบาตในบ้านใกล้ประตูด้านทิศอุดรแห่งนครสาวัตถีกลับจากบินธบาตแล้วมาสู่วิหารโดยท่ามกลางพระนครขณะนั้นเมฆใหญ่ตั้งขึ้นยังฝนให้ตกแล้วภิกษุนั้น เข้าไปสู่ศาลที่ทำการวินิจฉัยอันตั้งอยู่ตรงหน้าเห็นพวกมหมาหมัดผู้วินิจฉัยรับสินบทแล้วทำเจ้าของไม่ให้เป็นเจ้าของจึงคิดว่าโอ้มหมาหมตดเหล่านี้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแต่พวกเราได้มีความสำคัญว่ามหมาหมตดเหล่านี้ทำการวินิจฉัยโดยธรรมเมื่อฝนหายขาดแล้วมาถึงวิหาร ถวายบังคมพระศาสดานั่งนาส่วนสุดข้างหนึ่งแล้วกราบทูลขวางนั้นตอนลักษณะบุคคลผู้ตั้งอยู่และไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกมหามาัดผู้วินิจฉัยเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจอคติมีฉันทาคติเป็นต้น ตัดสินความโดยผุนผันไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมส่วนพวกที่ไต่สวนความผิดแล้วตัดสินความโดยละเอียดละอ่ตามสมควรแก่ความผิดนั่นแหละเป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าณเตะณโคติธรร ม, มทโทเยนัตทั้งสหะสานเย โยจะอัดทังอนัตทันจะอุโพนิเช ย, ยปันติโตอสซาหาเซณธรรมเมนะสเมมณ น, นยตีปะเรธรรมมัสสคุตโตเมทาวีธรรมมัทโทติปะวุจติบุคคลไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมเพราะเหตุที่นำคดีไปโดยความผุนผันส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิต วินิจฉัยคดีและไม่ใช่คดีทั้งสองย่อมนำบุคคลเหล่าอื่นไปโดยความละเอียดละ อ, อ่อด้วยธรรมสม่ำเสมอผู้นั้นอันธรรมคุ้มครองแล้วเป็นผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าตั้งอยู่ในธรรมตอนแก้อัดในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเตนะแปลว่าเพราะเหตุเพียงเท่านั้นเองบทว่าธ ร, รมมะโ่ ความว่าบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมเครื่องวินิจฉัยที่พระจเจ้าแผ่นดินทั้งหลายจะพึงทรงกระทำด้วยพระองค์ไม่เป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมบทว่าเยนะแปลว่าเพราะเหตุใดบทว่าอัดทั่งความว่าซึ่งคดีที่หยั่งลงแล้วอันควรตัดสินสองบทว่าชาฮาซาณเยความว่า บุคคลผู้ตั้งอยู่ในอัคติมีฉันทาคติเป็นต้นตัดสินโดยผลผั น, ผนคือโดยกล่าวเท็จอธิบายว่าจริงอยู่ผู้ใดตั้งอยู่ในความพอใจกล่าวมุสาวาทยอมทำยากหรือมิรของตนซึ่งมีใช่เจ้าของนั่นแลให้เป็นเจ้าของตั้งอยู่ในความชังกล่าวเท็จย่อมทำคนที่เป็นศัตรูของตน ซึ่งเป็นเจ้าของแท้จริงไม่ให้เป็นเจ้าของตั้งอยู่ในความหลงรับสินบทแล้วในเวลาตัดสินทาเป็นเหมือนส่งจิตไปในที่อื่นแลดูข้างโน้นและข้างนี้กล่าวเทศย่อมนำบุคคลอื่นออกด้วยคำว่าผู้นี้ช้ำนักผู้นี้แพ้ตั้งอยู่ในความกลัวย่อมยกความช้ำนักให้ผู้เป็นใหญ่บางคนนั่นแล แม้ที่ถึงความแพ้ผู้นี้ชื่อว่าย่อมนำคดีไปโดยความผุนผลนันผู้นั้นไม่เป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมบาปประกาศาว่าโยจะอัดทั้งอนัตท่านจะความว่าซึ่งเหตุที่จริงและไม่จริง2บทว่าอุโพนิช ย, ยะความว่าส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตวินิจฉัยเหตุ ที่เป็นคดีและไม่เป็นคดีทั้งสองแล้วย่อมกล่าวบทว่าอาซาฮาเซนะคือโดยไม่กล่าวเท็จบทว่าทำเมนะแปลว่าโดยทําเครื่องวินิจฉัยคือหาใช่โดยอํานาจอาคติมีฉันทาคติเป็นต้นไม้บทว่าสมัยนะคือย่อมนําบุคคลเหล่าอื่นไป คือให้ถึงความชั่นะหรือความแพ้โดยสมควรแก่ความผิดนั่นเองสองบทว่าธรรมมะสักุโตความว่าผู้นั้นอันธรมคุ้มครองแล้วคืออันธรรมรักษาแล้วประกอบแล้วด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมชื่อว่ามีปัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรม เพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเครื่องวินิจฉัยในการจบเทศนาชวนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องมหาหมาทผู้วินิจฉัย